เริ่มตั้งแต่เบื้องต้นนู่นมาคือว่าแต่ก่อนพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกทำว่าพระอรหันต์นี่ก็มีผู้กล่าวขวัญถึงอยากพบพระอรหันต์ก็สืบข่าวกันอยู่อย่างนั้น หรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะมันถ้าเกิดขึ้นในสันดานของผู้มีบุญวัสนาบรารมีอย่างพระเจ้ามหากปินะผู้ที่ครองเมืองโกุกรูปราชเมื่อ ได้คองลาาสมบัติแล้วก็ได้คำนึงถึงว่าอันพรระัตนาไกลนี่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่หนเพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุสื่อสารอะไรอย่างสมัยนี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบางเกิดขึ้นอยู่เมืองสาวกีน้น เมืองอื่นๆที่อยู่ไกลไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าด้วยบุญบา ร, รมีที่เพื่อนได้ทำมาแต่ก่อนเคยได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาเคยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาเคยได้ผูกความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามานิสัยปัจจัยอนัน ต, ติตามมาแบบนี้ พอเกิดมาในชาตินั้นบารมีของท่านมันแก่กล้าเต็มทีแล้วจึงมันโดนบันดาลให้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าบาังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรื อ, อยังหนอตอนบารมีแก่กล้าขึ้นมากๆแล้วก็ไม่เป็นอันทำ ร, ราชการงานเมืองแต่งพวกอมามตดเสนาอมามตด ออกไปคอนทิตะทางกันไปสืบข่าวหารัตนาไกล <c oughs> ส่วนพระเจ้ามาหากรพิน่ะก็ทรงมาแล้วก็สเสด็จไปอีกทางหนึ่ง <c oughs> แต่ถึงว่าไปพบพ่อค้ามาจากเมืองสาวถีเป็นสามคนนะแล้วก็ได้ถามข่าวถึงว่า มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่เมืองสาวถีนั่นนะพวกพ่อค้าสามคนนั่นก็บอกว่ามีมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> พระเจ้ามาหากรีะได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดปีติในใจอย่างเหลือล้นจึงได้เขียนจดหมายมอบให้พ่อค้าสามคนนั่น มาหาเมเหสีอยู่ในเมืองบอกว่าให้มมเหสีนี่พระราชทานทรัพย์คือเงินนี่ให้แก่พ่อค้าสามคนคนละหนึ่งแสนกะหาปหัญะกัน mm hmm. เมื่อพ่อค้าสามคนนั้นถือจดหมายของระาชาไปถึงเมืองกุรุราชแล้วก็ได้ เข้าไปเฝ้าพระมเหสีได้เอาจดหมายนั่นถวายพระมเหสีได้ฟังอย่างนั้นก็ได้ถามพ่อค้าว่าทําไมพระราชาจึงสั่งให้เราพระราชาทานทรัพย์ให้พวกท่านคนละแสนกหาปณะนะพ่อค้าก็ทูลว่าพวกข้าพระองค์นั้นได้บอกข่าวข่าวความเกิดขึ้น ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แก่พระราชาพระราชาดีพระไทยมากก็จึงได้พระราชทานรางวัลอย่างนี้ให้แก่พวกข้าพระองค์พระมเห็สีก็ถามย้ำพวกข้าถึงสองครั้งสามครั้งพวกนั้นก็ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกเพระมเห็นสียัง ดำนิพระราชส า, ามีว่าพระราชาทานพระราชาทรัพย์ให้พวกพ่อค้านี่น้อยไปส่วนพระมเหสีนั้นพระราชาทานทรัพย์ให้พวกพ่อค้านั้นคนละสามแสนกหาปณะออจกลงก็ได้ล้านกับสองแสนกหาปณะ พ่อฆ่าสามคนนั้นนะแล้วพระราชาก็ไม่ได้เสด็จกลับพระราชวังเลยก็พาพวกอมตะตั้งพันคนนั่นเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่เหตุสีก็เกลียมรถเทียมด้วยม้าแล้วก็หาพันธยาของพวกอมตะเานั้น ติดตามไปตามหลังในที่สุดก็ได้บพกพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระองค์ก็ขอบวชส่วนพระมเหสีนั่นบุญบันดาลให้ไปสู่สำนักนางพิจุนีก็ได้ไปบวชในสำนักนางวิจุนีเมื่อบวชแล้วได้ปฏิบัติ ตามสินสมาธิปัญญาไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์กันทั้งหมดนี่แหละพูดถึงอุปนิสัยวาสนาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาเพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นไอความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงค์นี้ มันเคยได้เลื่อมใสมาแล้วแต่ก่อนนู่นคนที่ไม่เคยได้เลื่อมใสในพระรัตนกรัยมาแต่ก่อนเกิดมาในชาตินี้ก็ไม่สนใจเลยแม้ว่าจะได้ฟังนักปราชญ์ท่านพรนานาคุณของพระพุทธเจ้าวิเศษวิโสอย่างไรเขาก็ไม่ซึ้นทมยินดีไม่เลื่อมใส เพราะว่าเขาไม่มีปัจจัยติดงหนุนส่งมาแต่ชาติก่อนดังนั้นแตะพวกเราที่ได้มีศรัทธาเรื่มใสในพระศนาไกลในชาตินี้น่ะก็ให้พึ่งเข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราได้นับถือเรื่มใสเป็นทุนเดิมมาแล้วดังนั้นนะ จงพากันนักษาศรัท ธ, ธาความเชื่ออันนี้ไว้ให้มั่นคงอย่าให้เตอมเพราะว่ากวดจะได้ศรัท ธ, ธาเรื่อมใสนี่ไม่ง่ายนักถ้าไม่มีบุญกุศลอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นทุนเดิมมาก็ไม่มีทางนะเราจะได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่ จนได้รับผลมีความสุขความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนของตนได้ที่เราได้รับผลแห่งการปฏิบัติอย่างว่านี่นั่นแหละมันจะเป็นเครื่องที่บอกแล้วว่าคุณพระรัตนกรันี่เนี่ยประเสริฐจริงๆเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆ หมายถึงก ร, รมจัดทุกทางใจไม่ใช่ไปกำจัดทุกทางกายทุกทางกายนั้นไม่มีสิ่งใดกำรรจัดได้ถ้ายารักษาไม่ได้แล้วก็เป็นอนุนาะหมดเรื่องกันไปส่วนทุกทางใจนี่เมื่อผู้ใดมาทําความเลื่อมใสในคุณพระรัตนไกรัย นี่ให้มั่นคงแล้วปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติต่างๆมาโดยลำดับอย่างนี้ความทุกข์ทางใจต้องบรรเทาลงแน่นอนเลยเมื่อปฏิบัติถูกทางนะนั่นเองการที่จะปฏิบัติให้ถูกทางก็เพราะไม่ปล่อยจิตให้เพลิน ภายนอกไม่ให้ไปผูกพันกับเรื่องต่างๆภายนอกสำรวมใจให้อยู่ภายในควบคุมใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ทำได้อย่างนี้ไม่ผิดทางแน่นอนแล้วก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเอง คือเห็นแจ้งว่าใจของตอนนั้นมั่นอยู่ในบุญในคุณแน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้ต้องเห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้เลยต่างคนต่างต้องพิจารณาใจของตัวเอง <c oughs> ดังนั้น ก็คงจะเป็นพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสาปฏิลาโป<ม>การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็แสนยาก<ม>กิจฉังมจานชีวิตตังเกิดมาแล้วจะมีอายุยืนยาวนานมาก็หาได้ยาก<ม> <c oughs> จิตสังสัทธรรมาสาวันังเกิดมาแต่ละชาติที่จะได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็แสนยากจิตโฉบุทธธานามุ ป, ปาโดเกิดมาแต่ละชาติจะได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่ก็แสนยากนี่ไม่ใช่ว่า เราเกิดมาชาติใดจะเลยามาพบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกครบเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะอบางทีก็ไปเกิดในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้พบเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้<ม>ก็จึงชื่อว่าเป็นลาบ<ม>ถือว่าเป็นลาบแหละลาโปแปลว่าลาบเพราะฉะนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้ก็เป็นลาบอันนึง<ม>แสดงว่าผู้ใดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนี่มันพ้นจากกรรมจากเวรมาแล้ว ถ้าเราได้ทาบาปมาแต่ก่อนก็ได้เสวยผลของบาปนั้นมาหมดแล้วบัดนี้ก็ยังแต่บุญนะเมื่อเสวยผลของบาปหมดทิ้งไปแล้วบุญก็ส่งผลให้ต่อได้มาเกิดเป็นคนนั้นเลยให้พากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนนี่มันยากยากเพราะว่า เมื่อไปทำบาปลงไปชาติใดชาติหนึ่งแล้วตายแล้วไปตกนรกอบัยภูมินุ่นนานแสนนานนะกลัวจะค้นมาได้ค้นมาแล้วยังมาเป็นตัดสิ่งเดระชฉานมาเป็นคนที่กระจอกงอกง่อยอยู่ตั้งหลายชาติหลายพบพาะเศษบาปอันนั้นยังไม่หมดเมื่อมันหมดเศษบาปเล็กๆในน้อยนั่นแล้วนะ จึงว่าได้เกิดมาเป็นคนนีนจึงมี อ, อวัยวะร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยทั้งมีจิตใจดีอย่างนี้นะมันไม่ใช่ง่ายนี่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละดังนั้นเมื่อผูใ้ใดรู้ตัวอย่างว่านี้แล้ว ก็ต้องรักษาความเป็นมนุษย์นี่ไว้ให้ได้บะนี้นะอย่าให้ความเป็นมนุษย์นี่มันแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างต่ำกว่านี้ลงไปการที่จะไม่ไม่ให้ชีวิตมันแปลสภาพต่ำลงไปกว่านี้ก็เพราะเหตุว่ามีธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องดาเนินไปในชีวิตนี้นะ ธรรมของมนุษย์คืออะไรคือสินห้าประการนั่นแหละตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมชั่วห้าประการนั้นเนะสมอเ ส, สมอไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมของมนุษย์เป็นเครื่องดำเนินไปคุณธรรมของมนุษย์นี่แหละ เมื่อบำเพ็ญให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็ส่งผลให้ไปได้เป็นเทวดาวันนี้นะมันเลื่อนขั้นขึ้นไปจากมนุษย์ผู้มีบุญวาสนาตกแต่งให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วใช้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่ประกอบกุศลความดีเข้าไปไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางที่ชอบเข้าไปแล้วจิตใจก็ผูกพันอยู่กับบุญกับคุณอันประเสริฐดังกล่าวมานั้นเช่นนี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วบุญคุณเหล่านี้ก็ส่งให้ไปเกิดในที่สูงกว่านี้อีกจ mm hmm. ยวันเลื่อนขั้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดา ก็ด้วยอำ น, นาจแห่งบุญกุศลที่ได้ทำให้มากๆขึ้นไปนั่นแหละกลัวจะได้เป็นเทวดาไม่ใช่ง่ายนักถ้าบุญไม่มากพอแล้วก็เป็นเทวดาไม่ได้แต่ถ้าคุณได้ดูตำราแล้วถ้าพี่นาเผืวกผืนคล้ายๆกับว่าอืการเป็นเทวดาไม่ยากเลยอย่างนี้จิงยู การเป็นมเทวดาไม่ยากถ้ า, ากว่ามีศีลห้าประจําตัวแล้วแล้วก็ประกอบกุศลคุณงามความดีอย่างอื่นเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ไม่เหลือวิสัยแหละความเป็นเทวดานี่นะเช่นอย่างในนิทานท่านกล่าวไว้หมืนั่นเช่นอย่างเรื่องอนางเ ท, เทวธิดากับขมหากัสปะนี่ นางเทธธิดาตนนี้เนะี่ยก็เป็นหญิงมนุษย์ไปทานาอยู่ใกล้กับถ้าปิภริภูหาอันเป็นสถานที่พระมหากัะสปฐเถระเจ้าอาศัยอยู่เข้าใจว่าหญิงคนนี้ก็คงไม่ทาบาปเพราะเขาเก็บรวงข้าวมาแล้วก็เอามาคั่ว ทำเป็นเข้าตอบแล้วก็เอาไม้มาร้อยร้อยร้อยเป็นอันอันไว้ เ, ออเข้าใจว่าคงร้อยไว้รับประทานนั่นแหละแต่พระมหาการสะท่านออกจากในรดสมาบัตในวันนั้นท่านพิจารณาดูว่าบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์ใครหนอก็เลย หญิงคนนี้ก็ไปต้องขายงานของท่านก็อ๋อหญิงคนนี้นะเป็นคนบุญควรไปสงเคราะห์พราะองค์ท่านหญิงได้พายบาทแล้วเดินผ่านทุ่งนาที่อยู่ใกล้ข้างนาของหญิงคนนั้นอยู่ไปพอหญิงคนนั้นเห็นท่านเดิน ผ่านคันนาในนาของจนก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาเพียงได้นำเอาเข้าวตอกที่ร้อยไว้นั้นมาใส่บาตรให้ท่านเมื่อใส่บาตรให้ท่านแล้วท่านก็ให้ลาให้พรขอให้มีความสุขความเจริญแต่หญิงคนนั้นคนมีบุญน ะ, ะก็ อธิษฐานในใจหรือกล่าววาจาออกมาก่อนจะใส่บาตรด้วยอํานาจแห่งผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วนั้นเถิดเช่นนี้แล้วก็ใส่บาตรเมื่อใส่บาตรแล้วท่านก็ให้พอรอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเดีวท่านก็เดินไปข้างหน้าหญิงคนนั้นก็กลับหลังหันเข้าไป สู่ห้างนาของตนพอเดินไปตามทางเจองูเห่าตัวหนึ่งเข้ามันฉกกัดเอาลม้มลงถึงแก่ความตายด้วยการที่เธอมีจิตยินดีปิติในบุญกุศลที่ตนได้ทำทานแก่ท่านผู้ประเสริฐอย่างนั้นน่ะเพื่อนก็มีสติดีอยู่ ในขณะเดินไปตามทางนึกถึงความดีของสนไปพอดีงูกัดเข้าล้มลงขาดใจตายในขณะที่จิตยังเป็นกุศลอยู่นั่นก็บุญกุศล น, นั้นก็ส่งนางเทพนางคนนั้นให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดิง้งมีนามว่านางราชาเทวทธิดาเทวทธิตา เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดิ้งแล้วก็จึงมาล้ำพึงว่าเราได้ทําบุญอะไรหนอจึงได้มาเกิดอยู่ในสวรรค์อันเป็นสุขสําราญอย่างนี้เมื่อพี่นาดูก็รู้ได้เพราะเทวดานะั้นมีหูทิพตาทิพใจทิพก็รู้ได้เลยรู้ได้ภาพที่รู้ได้เห็นได้ในภาพที่ตนไปใส่บาตร เอาเข้าวตอกนั่นไปใส่บาตรให้ท่านพ ร, ระมหากัสริย์เถระอยู่กลางพุ่งนากลับมาแล้วงูกัดตายจีงได้มาเกิดในสวรรค์ด้วยอนิสงส์ที่ได้ใส่บาตรให้แก่พระอราหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติในใหม่ในวันนั้นก็จึงคิดว่าท่านพ ร, ระมหากษัตริย์นี่ มีคุณต่อเราอย่างมากมายจำเป็นเราจะต้องได้ไปปฏิบัติอุปถากท่านเพื่อให้บุญกุศลของเรานั้นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จึงได้หายจากเทวโลกลงมาตอนหัวลุ่งของเมืองมนุษย์เนี่ยมาแล้วก็มาปัดมากวาดตาลาพอฉันกวาดลานวัดให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ รองน้ำใส่หาชนะมาตั้งไว้ตามที่พระไปนั่งฉันพัฒนาหารเสร็จแล้วก็กลับไปที่มานตามเดิมวันที่แรกนั่นท่านพมหากัตะปาท่านก็ได้ยินเสียงคนปัดกวดสาลาอะไรนึกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปทําก็แล้วไปอวันที่สองก็ได้ยินอีกท่านก็เข้าใจเป็นลูกศิษย์ ท่านก็ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดอะไระวันที่สามก็ได้ยินเสียงอยู่บนี้เอนี่มันมันก็ยังยังยังยังมือดอยู่ตามธรรมดาพระเนนี่คงไม่มาทำกิดวัดปฏิบัติตอนที่ยังมือดอยู่อย่างนี้แล้วสองสามวันมานี้ทำไม ถึงได้มาทําวัดปฏิบัติกันแต่ยังไม่สว่างเลยท่านจึงมองไปที่ศาลาก็จึงไปเห็นนางเทนางราชาเทวทิตตานั่นปัดกวดศาลาอยู่ตั้งน้ใ ช, ช้น้ำฉันอยู่ท่านจึงบอกเทวดานั้นว่าเอาเธอเป็นผู้หญิง ไม่ควรที่จะมาทำการปฏิบัติพระสงฆ์ผู้อยู่ป่าอย่างนี้ว่างั้นกลับไปวิมานของตนเสียพระเนนมีอยู่กระทำข้อว่าปฏิบัติเหล่านี้ไม่จำเป็นหรอก น, น, นะเทวดาก็อ้อนวอนว่าข้าเพราะเจ้านะอิฉันนะได้ไปเป็นเทวดาก็เพราะขาะผู้เป็นเจ้า ได้โปรดสงเคราะห์ให้ดิฉันได้ใส่บาตรในวันนั้นวันนี้ดิฉันก็มองเห็นว่าบุญกุศลของตนนี่มันยังน้อยไปก็อยากจะมาทำบุญกุศลให้มันมากขึ้นกว่านี้ขอได้โปรดเถิดพระเจ้าข้ายังไงท่านก็ไม่อนุญาตแต่เทวดานั่นก็ยังขืนทำอยู่ ท่านจึงได้ตบมือขึ้นเสียงดังแล้นี่เทวดาตกใจก็เลยห อ, อกขึ้นไปอยู่บนอากาศไปรอ้องไห้บนอากาศโน้นพระศ า, ส, าสดาได้ยินเสียงเทวดาร้องไห้ก็จึงทรงรับสั่งแก่พระอานนะ์น่ะดูก่อนอา น, อนนะุน่ะเทวดาร้องไห้อยู่บนอากาศโน้นน่ะท่านได้ยินไหมอโอข้าพระองค์ไม่ได้ยินเลย เพราะอะไรหนอจึงร้องให้พระองค์ตัดรอบเพราะเธอเสียใจที่ไม่ได้ปฏิบัติพระมาหากัสสปะคันแล้วพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมให้เทวดานั้นฟังสแสดงธรรมว่าดูก่อนเทวดาอันผู้เป็นนักบวชก็มีหน้าที่สำรวม อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนให้เป็นปกติเอาเธอผู้เป็นเทวดาต้องการบุญกุศลก็พยายามสั่งสมบุญกุศลไปมันทำหน้าที่คนละอย่างกันดังนั้นเธอก็จงบำเพ็ญกุศลไปอย่าได้ประมาทบุญกุศลนี่เมื่อไม่สั่งสม ต่อไปมันก็ไม่ไม่มากขึ้นเมื่อมเมื่อบุญกุศลไม่มากความสุขก็ไม่ยั่งยืนนานกึงจาเป็นต้องได้ทำบุญกุศลให้มากเลยๆไปโดยการภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้งว่าร่างกายสังขารนี้ จะได้พึ่งอาศัยอยู่นานไม่ได้เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทําลายไปสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งอันเบื่อเกิดก็คือคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการฉะนั้นเธอจึงปลูกศัทธาความเชื่อความเลื่อมใสลงในคุณพระรัตนไกลนี้ให้มั่นคงอย่าให้เสื่อมเสียไป แล้วก็จงพิจารณาให้เห็นความทุกในการเกิดแก่เจ็บตายบุคคลจะพ้นทุกได้ก็เพราะไม่เกิดนั่นแหละเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่ตายดังนั้นจงน้อมจิตไปส่อพานิพานอันเป็นสถานที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง นางราชาเทวติตาก็ได้บรรลุโสดาบันก็จึงหายจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ากูได้บรรลุโสดาบันนี้ก็นวัดได้ก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรมเป็นธรรมเหนือโลกเหนือความทุกข์ในโลกหมายความว่าพ้นจากทุกข์ในอบาัยภูมิทั้งสี่ อันบุคคลธรรมดาสามัญ น, นี้ยังไม่แน่นอนนะบางทีก็อาจจะหมุนไปสู่นรกอบายภูมิก็ได้ไม่แน่นอนใจของคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปถ้าอยู่ไปเกิดประมาทขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วไปทำบาปเข้าไปเช่นนี้มันก็มีหวังที่จะได้ไปสู่นรกอบายภูมิได้แน่นอนนะแต่สำหรับพระโสดาบันแล้ว ท่านละบาปอากุศลต่างๆเป็นสมุทเฉตพระผ ahan ร, รียว่าละขาดด้วยอํานาจแห่งอริยมรรคอริยผลได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระโสดาบันจึงไม่กลับไปทําบาปอีกเลยส่วนคนที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่แน่นอนนะเป็นองั้นเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าประมาท เมื่อรู้ว่าตนก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาใจของตนเสมอไปอย่าให้มันตกไปในบาปอกุศลเจริญภาวนาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ญาณอยู่เสมอไปอย่าให้สำคัญว่าร่างกายสังขารนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ให้เกิดความรู้ความเห็นอยู่อย่างนี้นี่เป็นทางให้ได้บรรลุโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันละสังโยชน์สามได้ขาดสักกายทิฐ ธ, ธิความที่เห็นว่ากายนี่เป็นตัวเป็นตนนั้นไม่มีในพระโสดาบันความเห็นอย่างนี้ดับไปหมดความเห็นที่ว่าร่างกายขันหานี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเกิดขึ้นมาแทนความสงสัยในเรื่อง สีลวัดข้อปฏิบัติก็ไม่มีความลูกคำในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่มี อ, อรู้ชัดตวัดสินภาวนานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงๆรู้ชัดตวัดสินสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงจริงนี่เป็นอย่างนี้ ความรู้ความเห็นของพระโสดาบันน่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งความเห็นของพระโสดาบันน่ะเห็นว่าคุณพระรัตนไกรแก้วสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีคุณอย่างอื่นจะไปยิ่งกว่านี้เลยไม่มีมีแต่คุณพระรัตนไกรนีนะ่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ ดังนั้นพระโสะดาบันจึงไม่หลงไหลไปนับถือรัฐที่ใดทั้งหมดในโลกนี้นี่แหละคุณสมบัติของพระโสะดาบันให้พึงเข้าใจเมื่อเข้าใจได้แล้วอันภาชนะทองสำหรับที่จะรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรักเอาผลมันก็มีอยู่แล้วนี่ อัตภาพร่างกายอันบุญตกแต่งให้มาพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วนะอย่างนี้เราจะปล่อยให้มันทุดโทมแตกดับไปเป่าๆนั่นไม่สมควรเลยแต่การงานอย่างอื่นยังทำคนเรานี่แปลกจริงๆนะเมื่อตกเป็น่าแห่งตัณหาตัณหามันบังคับให้ไปทำการทำงาน แสวงหาทรัพย์สินเงินทองต่างๆนี่ทุกยากลำบากกากกรรมเท่าไรก็อดก็ทนเอาเต็มที่เลยเพราะความอยากอันนั่นแหละมันบังคับจิตให้อดให้ทนต่อความยากความลำบากนี่ก็ยังทำกันได้ลองคิดดูให้ดีบัทีมานั่งปฏิบัติธรรมนั่งพิจารณาธรรมอยู่ในใจ เท่านี้ถือว่าเป็นเรื่องลำบากทำไม่ได้ถือว่าเจ็บนุ่นปวดนี่ทนไม่ไหวเลยเลยถอยซะเลยไม่ไม่อดไม่ทนไม่เพ่งพิจารณาให้รู้ความจริงของสังขารร่างกายได้พอเพ่งเข้าไปพอนั่งเข้าไปเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วท้อใจทันทีเลย ไม่ยอมสู้กับเวทนานั้นเลยอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางเลยจะไปรู้ธรรมของริงได้เพราะว่าทุกนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้เท่าไม่ได้ทรงสอนให้ละนี่ละไม่ได้ในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดแล้วทุกนี่ก็มีอยู่ตราบนั้นมีแต่กำหนดรู้เท่าเท่านั้นแหละ ทำยังไงเวลานี่ตนก็ยังได้อาศัยขันห้านี้อยู่เวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาจะหยิบยกอาจิตนี้ไปไหว้ที่อื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะมันยังไม่หมดบุญนะบุญยังหล่อเลี้ยงไว้อยู่มันก็จำเป็นต้องได้รับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวต่างๆนานาอยู่อย่างนี้แหละ แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้อดทนต่อทุกขเวทนาในเมื่อยังอาศัยขันหานี้อยู่ถ้าไม่อดทนแล้วจิตใจก็หวันไหวเมื่อใจวันไหวแล้วใจก็เป็นทุกข์วันนี้ตกลงว่ากายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ไปตามกันเลยทีนี้นั่นแหละเมื่อเป็นใจเป็นทุกข์ดิ้ น, นรนกระวนกระวายอย่างนี้ก็พนทุกข์ไปไม่ได้ เรารกว่าติดอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ออันใจที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วอดกั้นทนทานได้รู้เท่าได้ไม่วันไว้ไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวากลัวต่อความตายเพราะว่าได้เห็นแจ้งความตายแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตาย มีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็อดได้ทนได้ไม่วันไหวนี้แหละการที่จิตนี่จะพ้นทุกข์ได้นะมันต้องอดทนต่อทุกข์ได้ไม่เสียใจไม่ดีใจไปตามทุกข์ขันเมื่อรู้เท่าทุกข์ได้มันก็ละสมุทยัยอันเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุกข์ได้ คือละความอยากอยากให้ความเจ็บป่วยไข้นีหายอย่างนี้นะมันไม่มีมันดับไปเพราะว่ารู้ชัดตามเป็นจริงแล้วอยากเท่าไรมันก็ไม่หายในเมื่อมันมันถึงเวลามันจะวิบัติแล้วก็อย่างว่ามันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดนี่มันเห็นแจ้งอย่างนี้มันจึงไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆ ก็เชื่อว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้